ถวายธรรมะพระราชินีภายหลังได้พบกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านก็รับสั่งว่าเคยเรียนถามหลวงปู่โตว่าเมื่อหลวงปู่สิ้นไปแล้วจะได้ครูบาอาจารย์ที่ไหนอบรมสั่งสอนหลวงปู่ตอบว่าประเดี๋ยวมหาบอพิษก็จะได้พบอาจารย์เองแหละแล้วอาจารย์องค์นั้นแหละจะพูดธรรมะธรรมโมให้เข้าอกเข้าใจ ลรดิชันก็คิดว่าดิชันได้พบท่านแล้วตามที่หลวงปู่โตได้พูดพอหลังจากนั้นงานเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบ ร, รมราชนีนาถท่านก็ให้นิมนต์ทุกทีแต่ทุกวันนี้ท่านก็รับสั่งถึงเสมอถ้าหากมีพระที่รู้จักกับหลวงพ่อไปเฝ้าหรือท่านพบที่ไหนท่านก็ถามเจ้าคุณราสังวรยานเป็นอย่างไร เวลาเจ็บป่วยมีใครดูแลรักษาบ้างปีพุทธศักราช 2,525 หล่ลวงพ่อเดินทางจากวัดป่าสารวันเพื่อไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระราชวังไกลกังวลและได้มีโอกาสถวายวิสัชนาธรรมะหลายประเด็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระโสดาพระสกะทาคามีนี้การราคะยังมีอยู่คือหมายถึงความรักสวยรักงามยังติดอยู่มิใช่หรือเจ้าคะหลวงพ่อพุธยังติดอยู่มีเรื่องในพระพุทธประวัติเป็นเรื่องของนางวิสาขาว่านางวิสาขาเป็นลืมเครื่องประดับไว้ในอารามของพระพุทธเจ้าแล้วพระอา น, นุนเป็นผู้เก็บเครื่องประดับตกแต่งอ น, นั้นรักษาไว้เมื่อนางวิสาขามาวัด พระอา น, นุ์แจ้งให้ทราบว่านางลืมเครื่องประดับคุณค่ามหาสารไว้ในวัดนี้อาตมาภาพเก็บเอาไว้นางวิสาขาก็เรียนกับพระอา น, นุ์ว่าเครื่องประดับของดิฉันที่พระคุณเจ้าได้เก็บรักษาไว้ไม่ขอรับคืนขอยกถวายเป็นสมบัติของสงฆ์ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงทราบ พ, พระองค์ก็รับสั่งว่า ของประดับเหล่านี้แม้จะเป็นของมีค่าสูงแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับสง์นางวิสาขาก็ทูลถามว่าถ้าเช่นนั้นจะส่งให้ปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าให้รับเอาของคืนไปนางวิสาขาทูลว่าการที่รับของคืนนั้นเป็นการไม่สมควรขอปรวรณาสร้างพระวิหารถวาย อันนี้เป็นหลักฐานที่ว่าพระโสดาบันยังใช้เครื่องประดับอยู่